ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่ทานแต่ลมประปติญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องวิปลาสในข้อที่สี่ที่ท่านเรียกว่าอัตตวิปลาสคือการไปมองเห็นสิ่งซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงว่าเป็นตัวเป็นตน ประเด็นตรนี้ค่อนข้างเป็นประเด็นใหญ่นะฮะเพราะว่ามันเป็นการพูดถึงความจริงสองชั้นเป็นความจริงแบบสมมุติปัญญาต์ซึ่งเรเห็นว่าในแง่นี้ก็ถึงยอมรับความเป็นตัวเป็นตนในแง่ของสมมุติปัญญาต์เช่นรูปธภามสิเป็นอันมากที่เราคุ้นๆเราก็ได้ยินได้พอกัน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 เราก็เป็นตามสมควรแก่ขณะที่เราเป็นหมายความมาทําอะไรไปตามสมควรแก่ขณะที่เราเป็นอยู่ในขณะนั้นๆเช่นสมมติเรานั่งล้อมวงกันทุกคนก็เล่นบทสมมติเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนใช้เป็นปู่บังคับบรรจารอะไรต่อไรเนี่ย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 แล้วก็ไม่สามารถที่จะ ด, ดนบันดาลอะไรใครนะหรือว่าเป่ากระหม่อมใครให้เป็นภรรญาบุคคลได้น อ, อกจากว่าคนเหล่านั้นจะประพฤติปฏิบัติเอาเองก็ทําหน้าที่ก็เพียงเป็นผู้ชี้บอกคาให้แต่ว่าไม่มีลักษณะป้องกันดนบันดาลเป็นกระบวนการของกรรมล้วนๆแล้วในขณะเดียวกันมันสะท้อนถึงกระบวนการของชีวิตทั้งหลายเนี่ย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 นะเช่นมีคนไปกล่าวอ้างว่าพระอาจารย์บัวบอกว่าไม่เป็นทั้งอัตตาทั้ง น, นัตตานิพพานไม่เป็นทั้งอัตตานัตตาแล้วเขาเอาไปอ้างกันคือเมื่อไม่ไม่สมมติเนี่ยมันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะเพราะตรงนี้เป็นสมมติเพื่อเป็นสื่อเรียกตอนนั้นเองันคําว่านิพพานเนี่ยมีเป็นร้อยนะคําว่านิพพานเนี่ยความหมายเนี่ยมีมีเป็นร้อยเลยโอ้ยยังในธรรมจกกักรวัตนาสูตรที่เราผ่านมาแล้วนะะ ที่เราผ่านมาแล้วเราจะเห็นว่าอุปสมายะอภิญญายะสมโบทายะนิพานายะเดยวไหอันนี้ก็หมายถึงนิพานอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบอภิน ญ, ญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสมโบทายะเป็นไปเพื่อจัตสรู้นิพานายะคือนิพานโดยเฉพาะสมโบทายะการนิพานายะเนี่ยสมโบทายะก็เป็นสมาญานคือความรู้ในทางที่ชอบซึ่งเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพาน แต่มันมันห่างกันจนนับไม่ทันหรอกทั้งหมดเนี่ยมันห่างกันแบบนับไม่ทันถ้ามองใกล้ๆกับเราจับน้ําแข็งแล้วก็เย็นทันทีเลยนะฮะมันไม่ใช่ยอรอสโลโมชั่นอะไรอยู่ก็จับปั๊บก็เย็นปุ๊บทันทีเลยที น, นี้คําคําเป็นอันมากนะชนจนจ น, นิยามของคำว่านิโรธก็ยังไม่ถึงนะฮะตอนนิโรธก็ถึงแล้วนะะ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 อย่าลืมนะฮะว่าพระพุทธศาสนาเกิดเนี่ยไม่ได้สร้างภาษาใหม่ขึ้นมาภาษาก็ใช้ภาษาที่ใช้กันอยู่นั่นแหละใช้กันอยู่ประชาชนฟังและสื่อสารแล้วก็จะเกิดความเข้าใจแต่ที่นี้มันธรรมะในความเป็นนามัธรรมนามธรรมเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้สื่อเนี่ยมันจริงมีสะท้อนในเชิงที่เป็นรูปธรรมให้เราเห็นเช่นมาร์กเนี่ยเอาไปแปลว่าถนนอะทุกมันก็รู้กันอยู่ สมุทัยก็คือสาเหตุของปัญหาทั้งหลายนะีน่รวดแปลว่าไม่มีสิ่งเสียดแทงเห็นไหมเขาก็สื่อได้นี่รวดมันมีความหมายลักษณะเป็นโรคประทรมไม่มีสิ่งเสียดแทงหวีกลัดหนองน้ำตาน้าตาหัวเล็กเพ็บเข้าหูอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็สามารถสื่อได้ว่าถ้าไม่มีตรงนี้ลหละมันก็จะไม่เจ็บก็จะไม่ปวด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 เอาของเราเข้าไปบวกกันเลยก็ได้เรื่องเลยแต่ทีนี้ของเราไปบวกไม่ใช่ว่ามันจะปวดทุกครั้งนะฮะถ้าสตูของเราเราไม่ปวดนะเทตะ ส, สูของเราถูกฟันเลือดโชกมาเนี่ยเราไม่ปวดอะ่ะไม่รู้สึกปวดบางคนใจดำมันจะรู้สึกสะใจไปได้ทั้งไปอย่างวันก่อนอะไรมันมีอ้นักนั่งมวยอะไรกาหลีมันสัมภาษ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 ผมว่าไม่เป็นที่จริงไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไรกันมันเป็นเกมกีฬาที่จะต้องมาเจอกันะแพ้ชนะไม่ได้สาคัญอะไรอ่ะมันก็มีสองประตูแพ้หรือชนะแต่เสมอมันมีโอกาสน้อยตอนในอนัตตาเนี่ยมันต้องต้องเข้าใจอัตตาต้องจะประเด็นอัตตาให้ได้แต่เราจะประเด็นอัตตาไม่ได้เราก็พูดเรื่องอ น, อนัตตาไม่ได้แต่ทีนี้มนุษย์เนี่ยมันเกิดมาด้วยอาหังการนะ มันมีความรู้สึกเป็นตัเป็นตนมาตั้งแต่ตน้นเห็นไหมใครแตะต้องตัวเองไม่ได้เลยนะตอนเล็กๆ เ, เนี่ยพูดไม่รู้เรื่องก็ร้องจากเลยเกิดแหววมาถึงก็ร้องทันทีเลแสดงอัตรามันใหญ่มา ก, ก น, นะตีก็ร้องเส้นลั่นเลแล้วใครขัดใจไม่ได้นะทุกคนต้องทําใจถ้าขัดใจเขร้องไห้ถ้าตามใจก็ก็ปล่อยใจหว่ารอดได้ เห็นไหมการร้องให้การหัวเราะเนี่ยมันแสดงถึงว่าถ้ามีการตอบสนองความต้องการของเธออัตตาของเธอเธอก็ร้องนะทีนี้ถ้าไปขัดขวางอัตตาของเธอเธอก็โธ่สะเธอก็โกรธแสดงว่าเราคงมีความรู้สึกอย่างนี้มาแต่แต่ต้นเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาจากความหลงเพราะฉะนั้นอาการก็อนัตอัตตาเนี่ยเป็นอาการของของของความหลงความหลงมาเลยกลายเป็นวิปลาส คือมันคลาดเคลื่อนจต่ความจริงมันมองมันมองผิดแลกไปจากความจริงที่มันเป็นแนวอัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากคำสอนในลัทธิของพราหมณ์เขาถือว่าที่จริงมันมันยาวนะฮะตำนานเทพเจ้าในยาวแต่แนวอัตตาเนี่ยมันมาเพิ่งเกิดในยุคที่มันมีปลมาตารย์ ปรมาตามันก็เรียกว่ามหตาตมันบ้านแล้วก็ถือว่าเออพวกนี้ยเป็นกลุ่มพลังงานนะกลุ่มจิตวิญญาณพูดง่ายกลุ่มจิตวิญญาณที่มันเกาะกลุ่มบรรดูมหาศาลมากเลยเมื่อก่อนก็ต่างก็อิสระเลื่อยลอยไปในห้วงนาภาอากาศแล้วก็ต่อมามันมีตัวโลกวัตถุอย่างหนึ่งเขาเรียกประกริด ทีนี้ตัวอัตตานี่ที่จริงเป็นตัวเนี้ยตัวปรมาตามันนี่แหละที่เขาเรียกอัตตานะหมายความมาเรียกอัตมันเพราะงั้นในคัมภีร์ของเรานะะ ต, ตักถาจารย์ก็าเราท่านเป็นพรามอะ่ะวันทีต้องมาติดมาในหนังสือคัมภีร์ของเราเนี่ยเอากลักถาพระธรรมาบทเรื่องแรกเนแก้อ่าเรื่องแรกเนี่นะอัตตาชื่อวอมโนเลยก็สแสดงว่าท่านก็ติดฮะ ติดที่เรียนแบบพรามาและทีจริงก็ก็ทําให้เรารู้ว่าท่านไม่ใช่เป็นพราริยาเพราะท่านอธิบายอย่างงั้นเราก็เห็นนาทีว่าท่านระดับนี้ไม่เป็นพราริยาหรอกเพรอะไรเพราะว่าบรนทอนอัตตายังไม่ได้แล้วยังสับสนในเรื่องอัตตาปราะคุระดับปัโซดบรนเนี่ที่จริงก็ถอนอัตตาได้แล้วนะฮะือสักกายทิจจิให้ความเห็นเป็นตัวถือตัวถือตัวเป็นตัวเป็นตนวมีตัวมีตัวเนี่ยทต้นถอนได้แล้วท่านไม่ได้ไปยึดติดในลักษณะอย่างนั้น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 จิตมันมีความรู้สึกมันมีอารมณ์มันเกิดพอใจติตใจในตัวประกติดเลยก็แยกออกมาก็สิงสู่อยู่ในประกติมันก็กลายเป็นสัตว์ประชีวิตทั้งหลายในโลกเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยะนั้นแนวทฤษฎีวัฒนาการในศาสนาพราหมณนะ์เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตรงกชันดาวินแน่นนะฮะเราของเราก็ไม่ตรงนะที่จริงโลกเราก็ไม่อธิบายอย่างนั้นชันดาวินก็จะบอกว่าแกเป็นลูกหลานลิงเรว่าไปนะเราไม่เป็นอะไรกันเราก็เป็นลูกหลานมนุษย์เนี่ย ก็ประกาศเป็นสรรพชีวิตอย่างเนี้ยก็เมื่อก่อนมันก็พอใจติดใจยอยู่แต่ในที่สุดเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมเกิดตามความเชื่อในแนวเนี้ยเราจะเห็นว่าแนวพระเจ้านี่ยเขาจะคิดแนวนี้ทั้งนั้นเลยเพราะพระเจ้าผู้สร้างเนี่ยเป็นตัวเท่งแท้ตัว น, นี้ก็เหมือนกันอะปรมาตมันี่เป็นตัวเทยงแท้มาตมันี่เป็นตัวเท่งแท้แต่พอย่อยออกมาเนี่ไม่เท่งแทะ ก็นีกไปออกเหมือนกันนะฮมันเหมือนกระทองแค่หนึ่งแล้วเราแยกทองออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่ทองไปเลยนี่หมายความว่ายังไงแนต่ตรงนี้ที่จริงก็ก็มุ่วมัวมวสนุกดีกนเงี้ยนะะเวลาเวลาไปอ่านไปศึกษาแล้วก็ค้ำคัมมาเอ๊ะท่านคิดตรงท่านอย่างไงแล้วทําไมท่านไม่รู้ว่ามันมันขบกันหนะ้าความคิดตรงเนี้ยแต่ท่านก็สืบต่อกันมาได้นะฮะเขาไม่เสื่อมนะ ดูในอินเดียจะได้จะเวลาเนี้ยมันจะมาเป็นพรหมมันมาเป็นพระพรหมมาเป็นอะไรก็ได้ในสุดพวกหนึ่งก็เห็นว่ามันอัตตาเนี่ตัวตนมันมาถูกครั้งถูกครั้งอยู่ในประกรคือในร่างกายเนี่ยก็ต้องพยายามทําตัวเองให้เป็นอิสระก็แนวนี้แหละแนวที่พระเจ้าไปทรมานบุรการอยู่เนี่ยสมัยที่เป็นโพธิสัตวะที่ทรมานร่างกายจนพ่ายพอมเนี่ยก็คือแนวความเชื่อตรงนี้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 เห็ไม่เส้นสมมติว่าถนนนี่มันต้องมีสัญญาณจราจรจะบอกยังไงใจขับรถยังไงใจเดินยังไงแต่เมื่อรถบุชนเดินยุ่งหมดสมมติบัญญัติก็เรียกว่าโลกกับนิรุตรโลกกับภาษาโลกกัสมมติการสมมติของชาวโลกโลกกะบโวหารโวหารของชาวโลกโลกกับสัญญาการกำหนดหมายของชาวโลกโลกกับภาษาภาษาของชาวโลกอ้นี้ตรงนี้ เพียงแต่ว่ามันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องทำใจอยอมรับความจริงเอาลรคิดแบบง่ายๆอ่ะคิดแบบง่ายๆอย่างที่พระนาคเษนกับพญามิลินมาเจอกันพญามิลินก็ถามว่าคุณเจ้าชื่ออะไรชื่อรนาคเสนบ้างหมาเสนบ้างสุรเสนบ้างนะแต่ว่าพอบวชแล้วนี่เพื่อนสัรมจารีเรียกอัตมาภาพวนาเเสน ญาณมิลก็ถามมาอะไรชื่อว่านากเกษนก็ท่านแยกปีละส่วนมาถามพระนาเกษน์านานก็ไปเสด็จเราไม่ใช่ญาณมิลินก็ตลกบอกว่าพระนี้พูดจาสับดับไม่อยู่กับร่องกัะร้อยแต่กี้นี้บอกว่าชื่อว่านากเกษนแล้วก็ประถามไปทา ม, มาปรากฏเราไม่ใช่นาคเกษนก็พระนากะเกษนท่านก็ไม่หวาอะไรท่านเป็นพระหรันท่านก็บอกว่ามาบพิษเนี่ยมาที่อสงไขยบริเวณมาโดยอะไร มาโดยรถมาบ่าพิดีย okay. ืนยานนะว่ามาโดยรถอะไรชื่อว่ารถก็แยกชิ้นส่วนรถออกมาทีละชิ้นพระยามิลินก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านก็ย้อนย้อนลอยเอาเหมือนเดิมนะว่าเป็นมาก็สัตย์จัต์ไม่อยู่ก็ร่องก็รอยพูดจาอย่างหนึ่งว่ามาโดยรถว่าถามอะไรรถไม่ใช่รถ ก็บอกเอา้าพระคุณเจ้าเล็ดใปแยกชิ้นส่วนอย่างนั้นมาถามมันจะเป็นรถใดไงพระนาคเกษตรนักนบอกก็เหมือนการมาบ่อพิษที่มันแยกชิ้นส่วนในร่างกายกันมามาถามอย่างนั้นมันจะเป็นนาคเกษตรได้ไงมันต้องรวมทั้งหมดรถกัมือรทัดก็ต้องรวมทั้งหมดเพิ่นเกณฑ์กําหนดในความเป็นอนัตตาเนี่ยทั้งสอนให้มองที่จริงมีนัยยะเยอะนะแต่ควรจะมองแค่แค่สี่นัยยะก็พอแล้ว เนี่เราควบคุมมันไม่ได้เราสั่งการไม่ได้อย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะเอาสมมุติเราจะต้องการหลบไปปวกหนาวร้อนหิวกระหายปวดปวดกระส้วนง่วงนอนแก่เจ็บตายเนี่ยเอาอย่าหนาวนะอย่าร้อนนะอย่าหิวนะอย่ากระหายนะอย่าปวดปวดกระสาวนนะอย่าง่วงนอนนะอย่าแก่อย่าเจ็บจะตายนะสั่งไม่ได้เลยเราอยู่กันมาตั้งนานแล้วนะไม่เคยพูดกันรู้เรื่องเลยนะหลังกายเรา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 แล้วก็ตรงกันข้ามอัตตาตามความชื่อถือในศา ส, ส, สนาพราหมณ์เนี่ยที่ว่าเนี่ยไงข้องพราหมณ์นี่คือมันเป็นการเดินทางแล้วคนนีไไ้ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะตัวอัตตาตัวเนี้ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันจะเหมือนกับอะไรเขาอุปมาเหมือนกับเหมือนกับบ้านร่างกายนี่เหมือนกับบ้านหรือว่าเหมือนกับเสื้อที่เราสวมขาดมันก็เปลี่ยนขาดมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆบ้านพังมันก็ย้ายบ้านใหม่ไปอยู่ได้เรื่อยๆ แล้วจะกลับไปอยู่รวมกับปรมาจารยมันทั้งแนวของพราหมณ์เนี่ยไปอยู่รวมนะฮะแนวของเทวนิยมเราอื่นมันจะร่วมคือไม่ถึงผนึกงเป็นเนื้อเดียวกันแต่ของพราหมณ์เนี่ยแนวรวมเลยนะฮะไปอยู่ไปอยู่ด้วยกันคือผนึกกลับไปที่เดิมแล้วก็ตรงเนี้ยที่เราก็ยุ่งยุ่งพอสมควร พิพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปภัสระมิดังปิกเวจิตตังตันจะโค อ, อังยันดูเกหิอุปกิเลเฮหิอุปสงกิริทั้งดูการพิสูจนงหลายจิตนี้ปภัสสอนแต่ว่าจิตนี้เศ้าหมองไปพระอุปกิเลที่จอมาพวกเราก็มันกันใหญ่นะแปลว่าจิตเดิมว่าจิตเดิมมายุ่งเลยเห็นไหมใส่คำว่าเดิมนาทีเดียวยุ่งกันทีเลยนะเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลย เป็นศาสนะพราหมณ์ไปทันทีพูดคำมาเดิมเข้าไปคำเดียวแต่นั่นเนี่ยนั่นคือความละเมีระใหม่ในพระพุทธศาสนาข้อความต่างๆอย่างที่มายกตัวอย่างมาในหมากำไรพังและสูตรในวันก่อนนั่นนะแต่ไม่อธิบายในรายละเอียดเพราะว่าถ้าอธิบายรายละเอียดจะกินเวลาเยอะแล้วมันจะมีคําอยู่นะเป็นคําคำสองคาค ำ, คำสองคาเนี่ย ซึ่งซึ่งถ้าเรียนในชั้นเรียนแะ้วก็ได้แต่บรรดาออกวิทยุไม่ไหวคือมันต้องมีการเขียนเขียนที่กระดานลงไปด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะอธิบายเกิดความเข้าใจในะว่าคำบางคำเนี่ยพอเข้าไปแล้วเสียเลยนะทั้งโครงสร้างไม่เสียเลยเ <c oughs> ชนน้พานเป็นอัตราเนี่ยเสร็จเลยนะฮแล้วก็ไปจ่อัตราธรรมดาบางทีมันก็เหลืองเจิงเหลงแมวหายไปเลย ไ้นู่นไปอยู่ที่อญญายตนะนิพานไปยาวหน้าตักยาวตั้งยี่สิบวาใหญ่โตเบลเทอร์นะอย่างนั้นขอตั้งบาปเราไม่เห็นนยนึกดูคนหน้าตักยี่สิบวาเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนส่วนสูงแล้วหญ่ไปทำอะไรพ้วยเจ้าใหญ่ด้วยคุณนะฮะไม่ได้ใหญ่ด้วยกายพระพุทธเจ้าพุธเจ้านี่ธรรมดานะ เราเจอเห็นว่าจีบอลก็กว้างหกซอกยาวเก้าอกยาวเก้าคืบม่ใช่ก้อกคืบปะสุกดเนี่ยซึ่งจีบอเหล่านี้ถ้าเทียบแล้วที่จีบอนในปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณสองเมตรสาเมตรนะความกวามม้างสองเมตรยาวสาเมตรเรวก็ห่มกันได้นะฮะพระตัวไปห่มกันได้อัตมน้าหนักไอไม่ใชส่ส่วนส่วนสูงร้อยหกสิบห้ามาก็ห่มผ้าอย่างเงี้ยตเห็นห่มได้ตัวเ็นแตกหลเพราะพระใใหญ่ดยพุ่นนะฮะไม่ใช่ใหญ่โดยรู พอเราพาให้ผู้เจ้าใหญ่ด้วยรูปเลยกลายเป็นยุ่งเลยแล้วก็ไปอะไรละ่ะไปเส้นอาหารให้ให้สเสวยด้วยยุ่งตายตอนนี้ยาชีจันตายแล้วด้วยนะไม่รู้ใครเส้นให้แย่เลยอันนี้คื อ, ค, อคือทําลายคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าปนปี้ยุบยับหมดเลยนะเรื่องนี้ใหญ่ไงที่เขาห่วงใหญ่กันมากเนี่ยเขาห่วใหญ่ประเด็นตรงนี้เรื่องอื่นเรื่องของเขาช่างเขา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 มันมีความชัดเจนว่าถ้าเป็นอัตตาอย่างนั้น้็ตายเลยนะฮะแล้วพูดไปพูดมาอาธิบายกันจนเละ น, นะพระพุทธเจ้าตำกับเจ้าของเจ็คต์อีกนะพูดไปพูดมาเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของติเบตเขาทําอะไรว่าเจ้าของคนจีนนะฮะเห็นไหมเขาก็ไปตั้งหนั่งสมาธิอธิษฐานกลั่นอาหารเป็นทิพย์อะไรเลยถวายแล้วก็ลูกช้างก็กินต่อ